ดีเมื่อวานที่ฟังหลวงตาให้ความรู้ก็รู้สึกอได้ประโยชน์มากแต่ว่าตอนที่จบพอดีตอนนั้นเราจบด้วยเรื่องของความรักตอนนั้นลูกก็เลยมีคําถามพุดขึ้นมาครับหลวงตาซึ่งในในส่วนของความรักเนี่ยนะครับอมีความเข้าใจอย่างนี้ครับบอกพูดทางไหมานิดหนึ่งผู้ทางไหนะม่นิดหนึ่งใกล้ใหม่มันมีความเข้าใจอย่างนี้ครับหลวงตาว่า ความรักถ้าเราเปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคล้ายๆกับว่าความรักเราเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขคือหมายความว่าเราให้ไปด้ว ย, วยที่เรารักจริงๆไม่ได้ยึดติดถ้าคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคู่สามีภรรยาเนี่ยนะครับต้องเสียไปเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรหรือรู้สึกเป็นทุกข์ แต่มันก็คือสังขารแล้วเราก็ปล่อยวางอย่างอย่างนี้เข้าใจถูกใช่ไหมครับดวงตาคือถ้าสูบว่าคนที่เรารักเนี่ยต้องเสียไปเราก็สามารถทุกข์ได้หรืออาจจะไม่ทุกข์ก็ได้แต่ว่าเราก็คิดว่ามันคือสังขารแล้วเราก็ปล่อยวางไปมันจะไม่มีความทุกข์ใจมาผลมันจะไม่มีความทุกข์ใจมาปลถ้าถ้าเราไม่รักพอยึดเย่ย ครับต <Rice. S 2> ่ละตัวยึดมันยังมีความทุกข์ใจมาปนก็ถ้าเรายังมีความทุกข์ใจมาปนแปลว่าเราอย่างละตัวสังขารไม่ได้เออถ้าละตัวสังขารไม่ได้ก็ต้องยึดจริงๆอ่มันต้องเอาสังขารไปยึดจริงๆแต่เราละตัวสังขารไม่ได้เราต้องเราต้องเอาตัวสังขารปรุงมาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นสังขารแล้วเราก็ไปยึดได้จริงๆ ก็แปลว่าถ้าเราละได้แปลว่าตอนนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกทุกข์ใจหรือเสียใจคิดว่ามันเป็นการเกิดแก่เจ็บตายก็คือว่าตัวที่จะไปทุกข์ใจเสียใจดีใจเศร้าใจผ่องใสเศร้าหมองได้มันต้องเป็นตัวสังขารมันต้องจะปรุงเป็นอกิริยาการปรุงเป็นอารมณ์ปรุงเป็นความรู้สึกได้ถ้าไม่มีผู้ยึดสังขารไม่มีผู้หลงสังขารพ้นจับสังขารแล้วใจมันก็ว่างเปล่าในความว่างเปล่ามันจึงไม่ไม่มีไปยึดอะไรมันมีแต่ความรู้ว่าใครเป็นใครก็รู้อยู่ มันรู้ดูโดยอาศัยขันห้าเป็นตัวประกอบมันก็เลยรู้อยู่ว่าใครเป็นใครแต่มันไม่มีตัวใจเนี่ยมันเป็นความว่างเปล่าไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างมันจึงไม่เข้าไปยึดอะไรได้แต่ถ้ายึดอะไรได้มันจึงจะเป็นสันเป็นไอขันห้าเอาขนันห้าไปยึดนั้นเราเนี่ยหลงขัหนห้าเป็นตัวเราตัวเราเป็นขันห้าเป็นสิ่งปลุงแต่งเดี๋ยวไปยึดอะไรได้เราต้องปล่อยวางขันหน้าให้หมดปล่อยวางทั้งจริงที่ถูกรู้ปล่อยวางทั้งผู้รู้เราจริงจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่ง ก็ปล่อยใธรรมชาติเขารู้กันอย่างเงี้ยวันวนหนึ่งแต่ไม่มีใครไปยึดทั้งสิ่งที่ถูกรู้ไม่ไปยึดทั้งผู้รู้มันจะพบใจครับที้ถ้าใช้อธิบายอย่างเงี้ยมันจะยากหมอต้องเข้าใจด้วยใจตรงเนี้ยมันจะพูดยากเหมือนกันอะคือมันต้องเข้าใจด้วยใจถ้ามันไม่เหมือนกับเป็นตำราที่เราอธิบายแล้วมันสามารถทำความเข้าใจได้ครับสิ่งที่หมอจะเข้าถึงมันได้หมอต้องมีความสงบใจ สงบใจก็ไม่ใช่ว่าไปทําใจให้นิ่งนิ่งเพราะว่าการไปทําใจให้นิ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งถ้าเราพยายามไปทําใจให้นิ่งมันก็ยังเป็นสิ่งปรุงแต่งเราต้องเว้นขาดจากความปรุงแต่งใดๆคือเราต้องไปอยู่นิ่งนิ่งไม่ว่าจะเดินิเดินอยู่เงียบเงียบหรือนั่งอยู่เงียบเงียบคนเดียวเว้นขาดจากการปรุงแต่งในใจใดๆทั้งหมดแล้วหมอก็ปล่อยวางความปรุงแต่งทุกขณะปัจจุบันความคิดความนึกความรู้สึกอะไรที่มันมีอาการที่มีการไหวตัวได้เกิดดับได้ ถ้าหมอไม่ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นเป็นความปรุงแต่งเป็นสังการปรุงแต่งที่จะต้องปล่อยวางหมอก็พิจารณา ว, ว่าถ้าเราตายเดี๋ยวนี้ในกระดาษปัจจุบันเนี้ยร่างกายที่ตายเน่าเปื่อยผุพังแข็งทื่อเป็นท่อนไม้อะที่เน่าเปื่อยผุพังเนี้ยสามารถแสดงกิริยาอาการอย่างที่เรากาลังทาอยู่ตอนนี้ได้ไหมถ้าสากศพเนี่ยไม่สามารถแสดงกิริยาการที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ อันเนี้ยเป็นสังขารทั้งหมดอาการก so like <this>. so so ิริยาการเหล่านี้เป็นสังขารทั้งหมดเพราะว่าเวลาที่ตายแล้วซากศพไม่สามารถที่จะแสดงกิริยาการนี้ได้เพราะฉนั้นไอ้ที่แสดงกิริยาการได้เนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขารหรือสิ่งปรุงแต่งที่เป็นอยู่ชั่วคราวเป็นของสมมุติแล้วเกิดขึ้นได้แล้วกระดับได้เพราะตายเป็นซากศพแล้วสังขารเหล่านี้ซากศพไม่สามารถปรุงแต่งได้ก็ปล่อยวางให้หมดจึงจะเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าใจที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติเหตุเราต้องวางสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเพื่อเราจะกลับคืนเป็นหนึ่่่่งงงเดีียวกับธรรรมมชาตติทไปุแ คือใจนั่นเองใจที่เป็นาธาตุรู้ตามธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเปล่าเหมือนจั ก, กรวาลไม่มีความปรุงแต่งใดๆดังนั้นสิ่งนี้กระเพื่อมได้ปรุงแต่งได้พอตายเป็นซากศพซากศพนั้นไม่สามารถปรุงแต่งได้ดังนั้นกริย า, าการที่หมอกำลังทําอยู่ในตุก้ก็ในขณะปัจจุบันนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งเพราะว่าถ้าตายเป็นซากศพแล้วไม่สามารถทําพฤติกรรมจิตอย่างนี้ได้ไม่สามารถทํากริยาการจิตอย่างนี้ได้เช่นไม่สามารถจะคิดจะนึกจะวิเคราะห์วิจาร์วิจัย จิติดต่อดูว่าอย่างนี้ดูว่าอย่างนั้นอย่างนี้ทุกคนจะปล่อยไหมอย่างนี้หรือจะต้องเอาไว้หรือว่าต้องทําอย่างนี้ไอ้นี่มันคืออะไรไอ้ น, นี่คืออะไรศาสตรศพตีตายมันค้นหาแบบนี้ไม่เป็นค้นไม่ได้อันนี้คือความปรุงแต่งทั้งหมดถ้าเราหลงเข้าไปปุ๊บมันก็จะหลงปเป็นอวิชาหลงเข้าไปปรุงแต่งคือมีตัวเราเข้าผส ม, มตัวปรุงแต่งแต่ถ้าไม่หลงปล่อยวางหมดทุกขณะปัจจุบันมันก็จะปล่อยวางสังขารหมดแล้วจึงจะพบใจที่ไม่สังขาร นั่นแหละคือจะกลับคืนสู่ธรรมชาติที่ว่างเปล่าในเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ว่างเปล่าในธรรมชาติเราต้องเข้าถึงความสงบใจอยู่คนหนึ่งเงียบเดินเดินไปเดินมาหรือเรียกว่าเดินจงกรมอยู่เงียบเงียบเว้นขาดจากความปรุงแต่งใดๆทั้งมวลแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งไปทุกขณะปัจจุบันอะไรมีการกระเพื่อมมีการไหวตัวมีความคิดมีความนึกมีความตึกมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาสบายใจไม่สบายใจสบายกายไม่สบายใจสบายกาย ไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจมีความ ร, รู้สึกมันคิดอะไรขึ้นมาที่มันไหวๆๆๆตัวขึ้นมาให้ปล่อยวางตลอดเวลาเลยมันเป็นสังขารทั้งหมดปล่อยวางสับแต่ปล่อยวางให้หมดถ้า ต, ตายแล้วเป็นซากศพแล้วสแสดงกิริยาการเหล่านี้ความรู้สึกเหล่านี้ในซากศพไม่มีปล่อยวางให้หมดเลยมันเป็นสังขารปรุงแต่งทั้งหมดวางให้หมดปล่อยวางให้หมดปล่อยวางให้หมดไม่ก็ไปยึดมั่นถือมั่นก็จะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารแปลว่าเราจะต้องปล่อยวางความรัก พมันคือสังขารดังนั้นจะใช้คําอธิบายจ ะ, บ จ, ะาจะตอบจะถามจะตอบอย่างไรมันก็เข้าไม่ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งเพราะว่าคําถามก็ปรุงแต่งคําตอบก็ปรุงแต่งคําถามก็ปรุงแต่งคําตอบก็ปรุงแต่งเพียงว่าอธิบายให้เข้าใจหน้าที่ของท่านต้องไปสังเกตเอาเองคือต้องอธิบายทางให้เข้าใจซะก่อนแต่หน้าที่ของท่านต้องไปสังเกตเอาเองด้วยใจที่สงบคือใจทสงบไป่ใช่ว่า มีตัวเราไปยึดอะไรคือปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาเพราะตัวเราเป็นสิ่งปรุงแต่งความรู้สึกก็เป็นตัวเราเป็นสิ่งปรุงแต่งตลอดเราก็ปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นตัวเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ที่ตัวเราปรุงแต่งขึ้นมารวมทั้งตัวเราที่เป็นผู้ปรุงแต่งปล่อยวางตัวเราผู้ปรุงแต่งและไอ้ที่ตัวเราปรุงแต่งขึ้นมาคือความคิดความนึกความตึกความตองอารมณ์การเพ่งการจ้องการวิเคราะห์วิจารณวิจัยก็ตัวเราไปไปเป็นคนปรุงปรุงขึ้นนั้นทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็วางให้หมดและรวมทั้งปล่อยวางตัวเราผู้ไปคิิิไไไปปปนึึกกตตอวววเรราาะห์จจณัย ปล่อยวางความคิดความนึกความตึกความตองอารมณ์ถูกใจไม่ถูกใจความรักความชังแล้วก็ปล่อยวางตัวเราผู้มีความคิ ด, คดผู้มีอารมณ์นั้นด้วยเพราะเป็นตัวปรุงแต่งด้วยกันทั้งหมดทั้งแทงวางให้หมดเลยวางก็ค <fal is> ือว่ารู้อยู่แต่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆรู้อยู่แต่ไม่เข้าไปยึดถือมั่นคือไม่เข้าไปสนใจให้ค่ายความสาคัญมั่นหมายต่อสิ่งนั้นว่ามีคุณค่ามีความสําคัญมั่นหมายอะไรในใจไม่เข้าไปยึดถือให้ความสําคัญมั่นหมายสิ่งใดในใจเลย เพียงแต่ว่าแค happy, ่รับร uh> ู้หรือรู้ซื่อหรือสักตะวันรู้รู้สื่อสักตะวันรู้คือเรียกว่ารู้ได้ความปล่อยวางได้ความปล่อยวางไปทั้งหมดไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรไม่เอาอะไรไม่ยึดอะไรปล่อยวางอยู่ตลอดเวลารู้เพื่อความปล่อยวางปล่อยวางปวางป่อยวางตลอดเวลาอันนี้ท่าจะบกความจริงคือเหลือแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยครับทีนี้มันยังมีคําถามตามมาอีกนิดนึงอันนี้ที่ยิ่งคิดเลยไม่ตกครับหลวงตาเพราะว่า ในส่วนที่ความรักพอฟังดวงตาพูดเหมือนเหมือนจะเข้าใจทีนี้ว่าไอ้ที่ตามมาก็คือว่ามันก็จะมีในส่วนของความใคร่ตามมาทีนี้ถ้าเราคิดว่าพวกนี้คือวิสังขารแล้วธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีการกินการอยู่การสืบพัน์ปัจใจสีต่างๆถ้าพวกนี้เป็นวิสังขารแล้ว เราก็สามารถเป็นสังขารไม่ใช่วิสังขารเป็ น, เ ป, นเป็นสังขารตาโทษครับเป็นสังข า, ารเพราะฉะนั้นในเมื่ออันนี้มันเป็นการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ถ้าเราก็ปล่อยให้มันดําเนินไปแต่เราก็ไม่ไปยึดติดมไม่ทราบว่าคิดอย่างนี้จะถูกไหมครับหรือว่ามันมันติดที่ตรงไหนอย่างนั้นเราก็ไปเป็นพวกฝ่ายรุงแต่งคือมันอยู่ที่ เราจะเป็นฝ่ายที่ไม่ปรุงแต่งหรือจะไปเป็นฝ่ายปรุงแต่งแล้วก็คือธรรมชาติมันมีสองธรรมชาติธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือเป็นธรรมชาติที่ต้องไปเป็นธรรมชาติที่สร้างเผ่าพันธุ์สร้างโลกคือโลกทั้งสามคือสร้างความคิดการพูดการกระทําการคิดการพูดการกระทําการคิดการพูดการกระทําคือไปการสร้างทั้งหมดคือสร้างเผ่าพันธุ์สร้างความคิดสร้างความเป็นอยู่โดยใช้การปรุงแต่งทั้งหมดแล้วก็ไปสร้างเผ่าพันธุ์ สร้างบุญสร้างบาปสร้างกรรมดีกรรมชั่วเพื่อไปอะไรไปโลกทั้งสามคือไปไหนไปโลกนรกไปโลกที่เสพกามไปเป็นสัตว์เลี้ยฉันเป็ดอตุลกายสัตว์นรกไปเป็นมนุษย์ที่โบที่เสพกามและไปเทวโลกคือโบที่เสพกามและไปโลกไปอย่างโลกที่เสพฉานคือรูปฉานหรืออารมูปฉานเรียกว่าโลกทั้งสามอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องปรุงแต่งท่านจะไปไหนอ่ะถ้าท่านยังจะไปท่านก็ต้องปรุงแต่ง ปรุงแต่งไปเสพกามปรุงแต่งไปรักไปชงังไปเกลียดไปโกรธไปอิจฉาหริอเสียพอใจไม่พอใจไปอาฆาตพยาบาทไปโกรธไปเกลียดกันอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้ท่านก็ต้องมีก็ปรุงแต่งปรุงแต่งเข้ามันก็ต้องไปต้องไปก็ถ้าปรุงแต่งเป็นบาปก็ไปฝ่ายอบายไปไปลกนรกไปเป็นเปรตเป็นอาสลูกายเป็นสัตว์นรกปรุงแต่งละบาปเป็นบุญคือให้ฐานรักษาศีลภาวนาบ้าง ก็ไปสวรรค์เอถ้าไอ้ทานรักษาศีลภาวนาเยอะๆก็มาเกิดเป็นมนุษย์เอมาเกิดเป็นมนุษย์มันก็วนอยู่ในโลกทั้งสามเนี่ยวนไปวนมาแต่รู้แต่ทั้งสามโลกเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งป่ะเป็นสิ่งปรุงแต่งที่จะไปได้จึงเรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือสามโลกเนี่ยยังต้องอยู่คู่กับธรรมชาติตลอดไปไม่ว่าจะเนิ่นนานเท่าไหร่ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตยังต้องมีสามโลกคือคนที่ทําชั่ว ต้องไปอบายคนที่ทำดีก็ไปสวรรค์คิดดีพูดดีทำดีก็ไปสวรรค์คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีทาชั่วก็ไปนะไปนระกไปอบายแล้วก็เป็นกลางกลางก็คือเป็นมนุษย์สามโลกนี้เป็นโลกที่ปรุงแต่งยังต้องมีอยู่กับโลกที่พ้นจากความปรุงแต่งโลกของอริยะอริยะไม่ได้หมายถึงห่มผ้าเหลืองเนี่ยพวกท่านทั้งหลายก็ไม่สิทธิ์เป็นอริยะได้ถ้าพ้นความปรุงแต่งคือพ้นจากโลกทั้งสาม อันเนี้ยถ้าพจากโลกทังสามคือต้องพ้นจากความปรุงแต่งที่ท่านบอกว่าอย่างนั้นเราก็เสพความเสพอะไรไปความคิดไปเรื่อยๆมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแต่เราไม่ยึดถ้าเราไปเป็นปรุงแต่งแล้วไปยึดไม่ได้มันเป็นปรุงแต่งแล้วชื่อชื่อปรุงแต่งดังนั้นเราต้องไม่เป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งคือเห็นมันปรุงแต่งอยู่แต่ไม่ไม่ไม่เอาปรุงแต่งเป็นเราเราไม่ปรุงแต่งได้แต่รู้ว่าไม่มีปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งคือใจเราเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่ง แต่อย่างอื่นมันมออกจากใจแล้วปรุงแต่งหมดเราก็เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเรื่อยไปก็รอจนกว่าสิ้นอายุไขขันห้าคือที่เป็นสิ่งปรุงแต่งคือร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งก็ดับไอ้ส่วนเวทนาสัญญาสัางขารวิญญาณเป็นฝ่ายจิตใจก็ดับแต่ใจเนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแตง่งมันรู้สิ่งที่ปรุงแต่งอยู่ตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วแต่ใจเนี่ยมันไม่ปรุงแตง่งคือเราเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งเรื่อยไปอ่ะแต่ในในใจที่ ที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีขันห้ายังต้องทํางานผมยังไม่ตายกันเนี่ยลูกตาเขาต้อสอนพวกท่านเนี่ยพวกท่านการถามเราเราก็สอนพวกท่านทุกวันเนี่ยก็คือต้องอาศัยความปุงแต่งอยู่อาศัยเราอาศัยความปุงแต่งเพื่อทําประโยชน์<ฤ> เ, เพื่อทําประโยชน์แก่พระศาสนาประโยชน์แก่พวกท่านทั้งหลายทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่ <adopting> านอาศัยความปุงแต่งแต่ใจไม่ปรุงแตง่งยอยู่กับใจที่ไม่ปุงแต่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็อยู่กับใจที่ไม่ปรุงแต่งนี่แน่แล้วก็แต่ก็อาศัยขันห้าทําประโยชน์ พอสิ้นอายุขไขอ่ะสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายก็ดับลงคือขันห้าคือร่างกายดับลงป่าจิตใจที่เป็นเวทนาสัญญาสังข่าววิญญาณก็ดับลงเหลือแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งเมื่อมันไม่ปรุงแต่งแล้วมันก็ไปโลกทั้งสามไม่ได้เพราะว่าไอ้โลกทั้งสามันต้องอาศัยการปรุงแต่งไปนี่แน่ที่วิธีปฏิบัติคือหลักการที่ต้องปฏิบัติท่านะเจ้าบุหภค้นพบความจริงอันนี้แน่ที่เอามาสอนเนี่ยคือธรรมชาติอันนี้ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นแบบนี้เนี่ยคือธรรมชาติของโลกทั้งสามเนี่ยการมาโลกรูปบมาโรกลุบมี่ย มันมีของมันอยู่แล้วตั้งแต่ดั้งเดิมพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดมันก็มีอยู وم, ่แต่พุทธเจ้าบางคนพบอันนี้ว่าธรรมชาติของพวกเนี้ยมันไปด้วยความปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งเป็นบาปมันก็ไปฝ่ายอบายเอีฝ่ายปรุงแต่งเป็นบุญก็ไปฝ่ายโน่ะฝ่ายดีฝ่ายฝ่ายสวรรค์เน่ยฝ่ายมนุษย์เอีคือแล้วก็บุญบ้างบาปบ้างก็มาเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ไปอยู่วนไปวนมาในโลกทั้งสามนี่เนี่ยแต่โลกทั้งสามล้วนปรุงแต่งหมดเลยพุทธเจ้าบางคนพบอันนี้ว่า ถ้าไปไปในโลกทั้งสามเนี่ยต้องพ้นจากความปรุงแต่งคือใจนั่นเองคนพบว่าใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือธาตุรู้หรือเรียกว่าอมตะธาตุรู้แต่มันชื่อสมมติทั้งหมดเนี่ยใจก็เป็นชื่อสมมติแต่คือมาไปคนพบสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งว่ามันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าใจเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณธาตุเรียกว่าธาตุรู้เรียกว่าอมตะธาตุลูกตามหาวโรเรียกว่าธรรมธาตุ หลวงปู่มั่นพลเริอัตโตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เรียกว่าถีติภูตังทันี้หลวงปู่ดูนาโตโลก็เรียกว่าพุทธะพุทธะก่ อ, อ, อนที่ท่านบรณภาพท่านเรียกว่าเราปฏิบัติมาทั้งหมดเพื่อเข้าถึงตรงนี้แนะ่คือมหามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมแล้วถ้ากระดับไปคือมหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมคือไม่ไปในโลกทั้งสามแต่หายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับ มห ah าสุญญตาคือความว่างเปล่าของจั ก, กรวาลหรือจั ก, กรวาลเดิมกลับขึ้นสู่จั ก, กรวาลเดิมสรุปแล้วคือเรามาจากจั ก, กรวาลเดิมคือความว่างเปล่าของจั ก, กรวาลแล้วมาเป็นพลังงานขึ้นมาแล้วก็เป็นกลุ่มแก๊สอะไรขึ้นมาแล้วก็มาเป็นมาเป็นสสารขึ้นมาแล้วที่สุดแล้วพอ ป, ปฏิบัติได้เข้าใจได้ก็กลับคืนสู่สลายทั้งไอสสารคือร่างกายพลังงานก็คือเวทนาสัญญาทั้งขามนุษ ญ, ญ์ยานคือจิตใจ แล้วก็กลับคืนสู่ความว่างเปล่ากลับไปเดิมเนี่ยเราก็ลกลับคืนของเดิมเราเรียกว่ากลับคืนสู่จักรวาลเดิมอันนี้หมอจะพอเข้าใจไหมแต่ดีมันก็นแหกคำถามหมอก็เลยอธิบายซะละเอียดเลยคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยครับคือผู้ดีลูกเนี่ยไปเปรียบเทียบความไข้เนี่ยกับโมหะไงครับหลวงตาคือการที่เกิดโมหะความโกรธเราก็ให้รู้ว่าโกรธแล้วเราก็ไม่ต้องก็คือปล่อยวางเข้าไปให้เขาเกิดแล้วก็เขาดับไป แลลูกก็เลยไปเปรียบเทียบกับความใคร่พอเปรียบเทียบกับความใคร่มันก็เลยติดที่ว่าเอาอย่างนี้มันคือเเอเอผิดศีลห้าละแล้วแล้ ว, ลวมันก็คือเอขันสังขารคือสังขารทั้งคู่แล้วมันมันทําไมปฏิบัติแตกต่างกันอย่างนี้ครับหลวงตาอย่างเช่นก็มีโมหะมีโกรธแล้วก็ปล่อยให้เขาเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็แค่รับรู้แต่พอเป็นความใคร่ปุ๊บ ทำไมทำไมมันถึงต้องห้ามทำไมมันกลายไม่เป็นให้มันเกิดแล้วคนนี้ก็ดับไปแต่เราไม่ต้องไปยึดติดอืมเป็ความใคร้เนี่ยการบรรัณหาราคะเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เป็นขันห้ามันต้องเอาขันห้าไปปรุงแต่งเป็นกิเลสความใคร้เป็นกิเลสเออความใคร้มันเป็นกิเลสคือมันต้องเอาขันห้าไปมันต้องยึดเอาขันห้าปรุงเอาขันห้าเอาเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราเนี่ยไปยึดเอ่ไปยึดอะไรมันจึงมีความใคร้ มีความใข้มีกมีมีกะมีกิเลสกิเลสเนี่ยไม่ใช่ขันห้าขันห้าเนี่ยไอ้กิเลสเนี่ยมันจะต้องเอามีความรู้สึกเอาขันห้ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นขันห้าตัวตัวปรุงแต่งได้แล้วเอาเข้าไปยึดอะไรเป็นความรักความชังมันถึงจะเป็นกิเลสตัวขันห้าแท้ๆไม่เป็นกิเลสเป็นแต่อาการดังนั้นเนี่ยไอ้การมาตั้หาราคามันดับไปตั้งแต่อนาคามีแล้วมันยังไม่ถึงอัลลัฮันเลย เพราะว่ามันเป็นกิเลสกิเลสมันดับไปก่อนแล้วมันเหลือแต่ไอ้ส่วนที่ละเอียดแต่การมมรณาราคาเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วดับมาแต่อนาคตเพราะว่ามันเป็นกิเลสอย่างจ่ามันไม่ใช่ขันห้าแต่กิเลสเนี่ยมันดับไปแล้วแต่อนาคามีแต่ขันห้าชีวิตมันยังไม่ดับเพราะว่าไอ้ขันห้าเป็นชีวิตมันก็ยังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันยังทํางานของมันตามปกตินี่แหละ พระุทธเจ้าก็ไม่ได้ตายพอบรรลุบรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ตายพระอรหันทั้งหลายบรรลุแล้วก็ไม่ได้ตายขันน่ายังทำงานอยู่แต่ดับดับไปเฉพาะราคะการปัจจาร า, า, ากคกะเนี่ยดับสนิทไปตั้งแต่ตั้งแต่อนาคามีแล้วอ<ก>แต่นี้พอดับไปแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็เหลือแต่ไอ้ไอ้สิที่ละเอียดละเอียดจากอนาคามีไปถึงอารหันต์เนี่ยละเอียดแต่ก ah, ารปัจจาราคาาาากะไม่มีแล้วไอ้ส่วนที่ละเอียดละเอียดในจิตนี่นแหละมันยังเหลืออยู่ แต่การมาตัญหาราคะมันดับไปหมดแล้วไอ้ส่วนละเอียดละเอียดเนี่ยอนาคารมีอย่างละไม่ได้อนาคามีอย่างละไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่การมาตัญหาราคะมันมันเป็นกิเลสกิเลสไม่ใช่ขันห้าขันห้ามันจะเป็นกิเลสขันห้าเป็นอาการธรรมดาแต่ส่วนที่หมอถามว่าอ่อแล้วหลักโกรธเหอโกรธเนี่ยมันเป็นอาการของขันห้ามโหขึ้นมาเนี่ยเป็นอาการของขันห้าแต่มโหแล้วเนี่ยมีความอาฆาตแค้นผูกเจเจ็บปยาบาทน้อยใจเสียใจ คับแค้นใจอันนี้มีกิเลสอันนี้มีการยืดแต่มีลมปี๊ดขึ้นมาเนี่ยของขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นขันธ์ห้าตามปกติดับไม่ได้เพียงแต่แค่รู้เต่าทันแล้วไม่หลงตามมันไปก็หายไปฝาหลานท่านเนี่ยไม่ต้องรู้เต่าทันหรอกเพราะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันไปเองเลยเหมือนกับของที่มันยิงพุปุ้งกันมาในอากาศแล้วกา็ไอ้พุเนี่ยมันก็ดับมันไปเองอ่ะท่านไม่ต้องไปรู้เต่ทาทันเพราะว่าถ้ามันพ้นจะต้องรู้เต่าทันแล้วเพราะว่าอาการของขันธ์ห้ามันเปียบเหมือนเงี้ไอ สิ้นกิเลสแล้วแต่ขาน่ายังมีอยู่เหมือนยิงผู้ตุ่มต erm so ่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำอาการต่างๆเนี่ยไอความรู้สึกนึกคิดอารมณ์โมโหปี้กิ่งงามก็ยังมีอยู่เนะมันก็ยังมีเหมือนไอผู้ทิ้งไปแน่ะอากาศเนี่ยแต่ยิงแล้วก็ดับไปเองยิงแล้วก็ดับไปเองยิงแล้วไปก็ดับไปเองไม่ต้องไปรู้ต่อทันและดับพันทันพ้นไปแล้วไงอันเนี้ยอาการเหล่าเนี้ที่มันเป็นมุดขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องเป็นอาการของขัน่าอันเนี้ยมันต้องดับไปต่อสิ้นอายุไขัยอรหันต์ก็ยังมีอยู่ ก็สิทธิ์เข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าอาฆาตแค้นพยาบาทไม่มีนะ<ถ>อาฆาตแค้นพยาบาทมันอันนั้นมันเป็นกิเลสถ้าเราทำาสมาธิวิปัสสนาแปลว่ากิเลสเราจะค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งดับไปอาจจะพูดอย่างนั้ก็ได้แล้วหม อ, อ, อ, อ, อ, อไม่ไม่ซักต่อแล้วนี่ก็จะจบว่า แล้ววิปัสสน์สมถาวิปัสนามันเึ็นยังทำไงมันทําไมถึงทําให้กิเลสดับไปก็รอถามอยู่ถามเลยครับต่างตาหมอก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาฝึกสมถาวิปัสานาทําให้กิเลสหมดไปแล้วหมอแล้วก็รอว่าหมอว่าอะไจะถามต่อว่าแล้วทําไมสมถาวิปัสนาถึงทําให้กิเลสดับไปเข้าใจไหมมันต้องเป็นเหตุเป็นผลกันพระเจ้าสอนนะมันเหตุและผลกันคือคืออันนี้อันนี้อันนี้คือสังเกตจากตัวเองครับแต่ไม่ทราบเหตุผลครับก็เลย เรียนถามหลวงตาให้ช่วยอธิบายในตรงนี้ครับก็เนี่ยที่บอกหมอเนี่ยคือถ้าเราใช้ความสงสัยสงสัยไปเรื่อยก็คือไอสงสัยนะพิงว่าถามให้เข้าใจกันนะใช่แต่เวลาปฏิบัติจริงๆน่ยมันต้องใจสงบต้องอยู่คนเดียวนิ่เงียบนั่งเดินหรือทําอะไรก็ได้อยู่คนเดียวิ่เงียบอยู่กับตัวเองอยู่ตรงตัวเองเงียบๆแล้วก็อะไรที่เป็นสังขารเนี่ยเพราะมันต้องปล่อยวางขันท่าไงมันต้องปล่อยวางสังขารในขันท่าเพราะว่าขันท่าเป็นสังขารทั้งหมดเ่ย มันต้องปล่อยวางมันก็ปล่อยวางปล่อยวางไปวางเหมืออะไรที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นความรู้สึกที่มันไหวตัวขึ้นมาได้ก็เพื่มเพิ่มได้ them, ไหวตัวขึ้นมาได้มันมีความคิดความนึกความรู้สึกถูกใจไม่ถูกใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผ่องใสเป็นเศร้าหมองอิจฉาลิษยามันมันอะไรก็ตามที่มันมันแว๊บแป๊บแขึ้นมาได้ว่าจะแม้แต่รวมไปถึงกิเลสเลยละอะไรก็ตามทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในใจที่มันก็เพิ่มได้ไหวตัวได้มีกิริยาการได้ถ้าเราตายถ้าตายแล้วเป็นซากศพแล้วซากศพไม่สามารถแสดงกิริยากาาารรอองงนนนนนััั้้้ไดเเีป็ขสหม ให้ปล่อยวางสังขารอย่างนี้ปล่อยวางให้หมดก็คือไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นแล้วก็มันจริงจะพบใจที่ไม่เป็นขันห้าเป็นพบใจใจก็คือธาตุรู้ที่เรียกว่ามีชื่อสมมุติหลายชื่อเรียกว่าเจเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าพุทธะเรียกว่าลูก ป, ปู่มั่นโรเโตรเรียกว่าพุิติภูตังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็เรียกว่าใจเรียกว่าลูกตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาต บางทีถ้าเขาเรียกมหาสุญตาเรียกจักรวาลเดิมคือให้รู้มันเปชื่อสมมุติก็แล้วกันแต่คือนอกจากขันห้าแล้วมันมีอีกสิ่งหนึ่งในตัวเราเนี่ยคือความไม่ปรุงแต่งไอ้ความไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันมีชื่อหลายชื่อไอ้นี้่เราจะถึงความไม่ปรุงแต่งนั้นเนี่ยไม่เกิดไม่ดับไม่แสดงกิยาการได้เราต้องปล่อยวางอาการทั้งหมดนี่นี่คือทางที่พระเจ้าให้ไว้คือต้องวางปล่อยวางขันต้องปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งที่กระเพิ่มที่เกิดดับอยู่ในใจทั้งหมดปล่อยวาง ไปวางทั้งหมดไม่เข้าไปยึดมั่นหรือมัน่นิงจะพบใจที่ไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารปรุงแต่งเรียกว่าสังขารเข้าใจั้ยอย่างเงี้ยแล้วมันดับไปตอนไหนครับอาจารย์อะไรดับไปหมายถึงไ อ, อ, อ, อ, อ, อ้กิเลสตอนที่เราทำสมาธิวิปัสสนาแล้วมันค่อยๆหายไปหรือดับไปเรื่อยๆออกิเลสมันก็เกิดจากเราเนี่ย ไปหลงเอาไอ้ตัวปุงแต่งอะเป็นตัวเราเราแต่แท้จริงอ่ะมันเป็นมันเป็นใจอสมมุติว่าเราเราจะพูดมันภาษาขี้เกียจเรียกหลายภาษานะสมมติไอ้ตรงกันก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันมันปุงแต่งไม่ได้ที่มันมันกระเพื่อมไม่ได้ไว้ตัวไม่ได้เป็นเป็นจิตดั้งเดิมแต่แท้ใจดั้งเดิมแต่แท้เป็นพุทธะเป็นเป็นธาตุรู้เป็นวิญญาณดั้งเดิมแต่แท้เป็นอะไรเป็นมหาสุญญตาเป็นจักรวาลเดิมเป็นอะไร ขอขอสมมติเรียกว่าใจอันเดียวกันนะมันจะได้ขี้เกียจพูดหลายอย่างเดี๋ยวพูดหลายหลายยืดทานงงตายเอาใจอย่างเดียวก็แลคือใจเนี่ยให้สมมุติว่าตรงกันว่าใจคือเป็นวิสังขารที่มันไม่มีอาการ ใ, ใดๆนะตัวนี้อถ้าเราเนี่ยปล่อยวางสังขารหมดปล่อยวางสิ่งที่เป็นเป็นสังขารที่เกิดดับได้กระเพิ่มได้ไหวตัวได้ทั้งหมดมันก็จะเป็นใจที่ไม่สังขารเพรอเป็นใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันไปนยึดอะไรไม่ได้เพราะว่าจะยึดได้มันจะต้องมีอาการ มีอาการไปจับป๊อเนี่ยยึดเน่ยเหมือนกับว่ามันจึ๊บมีอาการไปจับได้มันต้องมีอาการถึงไปจับได้ไม่มีอาการเลยสักอย่างเดียวมันได้แต่รู้อย่างเดียวมันจับอะไรไม่ได้มันจึงไม่มีกิเลสการที่จะมีกิเลสอะไรได้มันต้องไปจับได้ไงไปยึดได้นะมันถึงจะต้องเอาต้องหลงเอาตัวเราเนี่ยเป็นสังขารเอาสังขารเป็นตัวเราว่าตัวเราเนี่ยสามารถสังขารได้ตัวเราสามารถแสดงกิริยาการได้ตัวเราสามารถปรุงแต่งได้มันถึงไปจับไปยึดได้ไงตอนนี้ ถ้าเป็นใจที่มันไม่ม no no ีไม่สามารถมีสังขารได้เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติแต่มันไม่มีอาการตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีมันเลยไปจับประยุทธ์อะไรไม่ได้มันเลยเป็นกิเลสไม่ได้การจะมีกิเลสได้มันต้องหลงเอาไอ้สังขารเป็นตัวเราหรือเอาตัวเราเนี่ยเป็นสังขารเราวจิไปจับยึดมันไปไปรักไปชังไปเกลียดไปโกรธไปฉาบไปหยาบไปพอใจไม่พอใจไปเป็นกิเลสต่อสิ่งต่างๆได้ก็เพราะว่าสังขารเนี่ยมันเลืกไปไปไปจับประยุทธ์ไปปรุงไปแต่งให้เป็นกิเลสได้พอสิ้นสังขารแล้วมันก็เลย ไม่มีตัวไปยึดไม่เป็นกิเลสเลยสิ้นกิเลสพอสิ้นกิเลสก็สิ้นทุกการที่สิ้นกิเลสสิ้นทุกเขาเรียกว่านิพพานเอผู้ที่สิ้นกิเลสและสิ้นทุกเขาก็เรียกว่าพระอราหารันทรันว่าอย่างนี้นะเราก็ว่าตามแบบท่านครับ ม, มันก็เลยมีคําถามตามอีกคําถามนึงครับหลวงตาครัเ <laughs> อาถามเก่ง <laughs> เอาถามว่าคนอื่นจะได้เข้าใจด้วยก็คือว่าถ้าในคนปกติที่ไม่มี โรคภัยแค่เจ็บใดๆหมายความว่าสุขภาพแข็งแรงดีเมื่อไหร่ที่เราปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาแล้วความรู้สึกอันนี้มันหายไปแปลว่าเราละได้เยอะแล้วถูกไหมครับหลวงตา เดี๋ยวยังไงาได้ฟังไปคนเอะเลอ่าพอฟังหลวงตามาถึงตอนนี้ก็เลยอ่าครับพอฟังหลวงตาอธิบายเมื่อตกี้เลยก็คิดว่าจะเอาตรงนี้มาเป็นตัวตัวตัวตัวอินดิเคเตอร์หรือตัววัดตัวหนึ่งฮะหมายความว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่ปกติร่างกายแข็งแรงดีไม่มีความบกพร่องใดๆทางการสืบพันธุ์แล้วเราปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจนถึง ระดับที่เรารู้สึกว่าความรู้สึกตรงนี้มันหายไปเลยก็แปลว่าเราเนี่ยละสังขารได้เยอะระดับหนึ่งแล้วอันนี้มันเป็นตัววัดได้ไหมครับหลวงตาเดี๋ยวเดียอะไรมันเกี่ยวมันเกี่ยวกันอะไรอะไรยังไม่ไม่เข้าใจหม่ว่าความรู้สึกะ่ะความรู้สึกความไข้ปกติถ้าถ้ า, ถาในวัยเจริญพันธุ์เนี่ยครับถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือทําสมาธิวิปัสสนาใช่ไหมครับเราก็จะมีความไข้เป็นปกติของเราทีนี้พอเรา ทำสมาธิวิปัสนาความไข้ก็เลยค่อยๆน้อยลงหายไปอ uh uh. อย่างที่หลวงตาอธิบายทีนี้ก็เลยจะมาจับว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่ได้มีความผิดปกติร่างกายแข็งแรงครับยังมีความรู้สึกตามปกติเรื่องความไข้ทีนี้ถ้าเราทําไปแล้วเราก็รู้สึกมาดูตัวเองว่าเอ๊ะเหมือนความไข้เราหายไปเลยเราไม่มีความรู้สึกทางเพศเลยทั้งที่ร่างกายเราปกติก็แสดงว่ามันรีเฟกกลับว่าการละสังขารของเราเนี่ยปฏิบัติได้เยอะแล้ว ละไปได้เยอะแล้วถูกไหมครับเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยอคือมันต้องมั่นใจนะว่าเราเราละไม่ได้ไม่ไม่มีความเจ็บปวดที่ว่าไม่แข็งอะไรเงี้ยนะครับคือมันมันไม่ได้เกี่ยวกับเลยไม่แข็งไม่เขื่อนอะไรมันก็คือว่าใจมันไม่ไปยึดมันก็เลยไม่มีอะไรกระเพื่อมในใจกิเลสที่กระเพื่อมในใจการบรรทันหามันไม่กระเพื่อมในใจมันก็เลยไม่ไปเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแต่บางคนก็มีอะไรนะร่างกายที่มันอยู่อเว่ยเอ ไอ้เรื่องความรู้สึกต่างเพศมันเกิดเสื่อมสมรติภาพไปก็เราก็ไปรู้ว่าปเป็นปหรือเปล่าโลกเนี้ย ม, มันน่าจะมีนะบางทีเราก็เห็นเขาไปซื้ อ, อยากินกันอะไรเงี้ยครับใส่กโฆษนากันอะไรเงี้ยก็คือสมรติภาพเสื่อมไปอยงั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่พวกสิงกิเลสคือสมรริภาพเสื่อมไปแล้วไปหายากินอะไรให้มันมีสม ร, สมรติภาพต่างเพศแต่นี่ใจเขาเนี่มันไม่มันมันไปถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งซะแล้วมันก็เลยไม่มีใจไปยึดอะไรมันไม่มีกิเลสใจที่ไปยึดตรงนั้นอีกแล้วมันต้องไปคิดปรุงแต่งว่าอะไรอะไรเป็นอะไรมันต้องจะ มันถึงจะมีกิเลสมีการปัตตนหาราคะได้ครับอเวลามันถึงอันจะไม่ต้องพิจารณาหาหลักแค่อนาคามีเนี่ยมันก็มันก็ไม่ปรุงแล้วมันก็ไม่ปรุงแล้วอนาคามีก็ไม่ปรุงแล้วเอาหนังเอาหนังเลสอะไรมาเอามาดูเนี่ยมันไม่กระเพื่อมในใจเลยมันไม่ไม่จะว่าถึงอวัยวะเพศหรือมันไม่กระเพื่อมในใจไม่กระดุกระดิกเลยคือมันไม่ปรุงแล้วมันไม่มันขาดไปเลยโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าไปรู้เท่าทันนะ <im itation> มันขาดอัตโนมัติไปลวพุทธเจ้าตัดว่ามันขาดไปเหมือนกับว่าการมาตัญหาราคาดับไปเหมือนกับว่าอนาคามีการมาตัญหาราคาดับไปเหมือนกับว่าเอาต้นไม้สดเนี่ยต้นไม้สดสองต้นมาแช่น้ําการมตัญหาดับไปเหมือนกับอย่างนี้เลยเหมือนกับว่าเอาต้นไม้สดสองต้นมาแช่น้ําไว้ร้อยปีแช่น้ำร้อยปีแล้วสีไฟกันในน้ําท่านว่าไฟันจะมีโอกาสไหม่ม่รูก แช่น้ำไว้ตั้งร้อยปีแล้วเป็นต้นไม้สดด้วยแล้วแถมสีกันในน้ําเนี่ยมันมีโอกาสจะติดไฟได้ไหมไม่ได้เออนั่นแหละไฟย่อมไม่ติดไม้สองไม้สดสองต้นที่แช่ในน้ำร้อยปีแล้วสีกันในน้ําย่อมไม่เกิดไฟชั้นใดการบตัญหาราคะย่อมไม่เกิดขึ้นในผู้ที่บรรลุอนาคามีแล้วดับไปเหมือนกับไม้สดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ปรุงไม่เปิ่งอะไรได้ต่อให้มันคิดแค่คิดจะปรุงขึ้นมามันปรุงขึ้นมามันก็ไม่มี แม้แต่จะคิดปรุงยังไงมันก็ไม่มีคือคือพยายามว่าแม้แต่พยายามจะคิดปูเหมือนกับเอามันก็เหมือนกับเอาไม้สดปสีกันถึงจะสีเหตตายคิดปูุงยังไงมันก็ไม่มีการบัตรหาราคาคูกไฟราคาเนี่ยมันไม่เกิด